สวัสดีท่านทั้งหลายเราพากันเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นโชคดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ยากยากที่เรายากที่จะได้พบมีอยู่ที่พระองค์แสดงว่า กิจฉังมัจจานชีวิตธรกิจโฉุทานามุปปโดสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าที่แสดงไว้นั้นแสดงว่าการที่จะมีชีวิตมาถึงวันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ยากมากและการที่เราจะได้พบพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นสิ่งที่ยากมาก แล้วการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นก็ยากมากเพราะว่าการเกิดเป็นสัตว์นั้นมันง่ายกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ต้องมีบุญมีกรรมเท่มีเคาเรียกว่ากรรมดีที่สร้างมาแล้วในอดีตถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าหากว่า ทําแต่บาปแต่กรรมชั่วก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเราจะคํานวณดูสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์นี่สัตว์เดรัจฉานนั้นมากมายพวกกลวกพวกมดพวกอะไรสัตว์อะไรต่างๆนี่มันจะเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดแต่ส่วนมนุษย์นี่ก็เกิดขึ้นมา ก็แย่เหมือนกันแต่มันก็ไม่เท่ากับพวกสัตว์เพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเหล่านี้จึงเปรียบเทียบได้ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากที่สุดสิ่งแต่ว่าสิ่งที่ยากก็เรียก ว, ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ได้แล้วการที่เรามีชีวิตมาถึงวันนี้เราก็ได้แล้วการที่เราพุพพพทธศาสนา ในที่พระพุทธเจ้าบัติบังเกิดขึ้นมาเราก็ได้แล้วการที่เราได้สิ่งเหล่านี้มานั้นน่ะถือว่าได้มาด้วยยากไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นพวกเราจงอย่าพากันประมาทคื อ, อย่าพากันประมาทคำประมาทนั้นพระพุทธเจ้าว่าประมาโดมัจจุโนโประดังการประมาทนั้นเป็นหนทางแห่งความตาย ความตายนะั่นหมายความว่าตายจากคุณงามความดีแทนที่เราจะได้ความดีต่างๆแต่เรากลับไม่ได้เพราะเราไปประพฤติความชั่วความชั่วมีการฆ่าสัตว์ฆ่ามนันนกมีการขาโมยข้าของคนอื่นมีการประพฤติ ข, ข่มขืนอนาจารเบี่ยการโกหกหลอกลวง มีการคอร์รัปชันต่างๆหรือตลอดจนกระทั่งการดื่มสุราเมรัยาเสพติดทุกอย่างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เรียกว่า เ, เป็นกรรมอันชั่วก็เรียกว่าผิดศีลเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสำรวจดูตัวของเราว่าตัวของเรามีศีลแค่ไหนบกพร่องอะไรบ้างหาทางแก้ไข เมื่อเรามีศีลห้าข้อตัวไหนที่มันบกพร่องเราก็แก้ไขสิ่งใดที่มันจะทำให้เราผิดศีลห้าเราก็ต้องระมัดระวังแต่หลอดจนกระทั่งการที่เราจะสร้างสรรค์คุณธรรมต่างๆความดีต่างๆที่เขาเรียกว่าศีลธรรมศีล น, นั้นที่ได้กล่าวไปแล้วที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นก็ได้แก่เมตตาธรรม กตัญญูกัตะเวทีพระพุทธเจ้าตรัสว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกัตะเวทิตาบุคคลผู้ที่รู้จักคุณคนที่เขาทํามาให้แก่เราแล้วนั้นถือว่าเป็นคนดีกองกันข้ามถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้จักคุณคนที่เขาทาความดีมาให้แก่เราก็เรียกว่าคนชัว่วอย่างนี้และเมตตานั้น ได้แก่การเมตตาตนด้วยและเมตตาบุคคลผู้อื่นด้วยเมตตาตนก็คือถ้าหากว่าเรายังเป็นเด็กอยู่เราก็พยายามที่จะศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ให้แก่ตัวของเรานั่นเรียกว่าเมตตาตนและเมื่อเรามีความรู้ความฉลาดโตขึ้นแล้ว สามารถที่จะมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานมีเงินมีทองมีข้าวมีของสมควรแล้วก็เฉลียวความสุขนี้ไปให้แก่บุคคลผู้อื่นด้วยเมื่อจะเป็นเช่นนั้นก็เท่ากันกับว่าเป็นผู้ที่มีเมตตาการบริจาคทานให้แก่คนยากคนจนการบริจาคทานให้แก่สาธารณะประโยชน์การบริจาค ให้แก่พระพุทธศาสนาวัดวารามต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าแสดงถึงจิตใ จ, จที่มีความเมตตาเพราะเมตตานั่นก็คือการเสียสละนั่นเองชีวิตของคนเราที่จะสมบูรณ์ได้นั้นก็จะต้องมีเมตตาตนและก็จะต้องมีเมตตาผู้อื่นเนี่ชีวิตของคนเรล่านี้ก็จะสมบูรณ์ขึ้น ถ้าเมตตาแต่ตนอย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์ถ้าเมตตาแต่ผู้อื่นอย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์เมื่อเมตตาตนพยายามเมื่ อ, อยังอายุยังน้อยก็ศึกษเาเรียนแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติสัมมาหาเลี้ยงเีพโดยสุจริตรมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นการเมตตาตน การที่ไปทำบาปทํากรรมทั่งปรงนั่นก็เรียกว่าไม่มีเมตตาตนแล้วก็ไม่มีเมตตาผู้อื่นด้วยก็เรียกว่าขาดทั้งศีลขาดทั้งธรรมเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในการที่เราเกิดมาได้ด้วยยากเช่นนี้เราก็ไม่ควรที่จะละความโชคดีของเรานี้ ให้พากันรักษาโชคดีของเราไว้ท่านทั้งหลายจะอยู่ในฐานะครวาสท่านทั้งหลายอยู่ในฐานะพระภิกษุสมณีก็ให้พยายามทำตามหน้าที่ด้วยสุจริตมีศีลตามฐานะของตนการปฏิบัติเพียบพร้อมเช่นนั้นเอกโจสักขังก็จะสีบางพวกก็จะไปสู่สวรรค์ เอกโจมกขังคัจเตบางพวกก็จะได้ไปสู่นิพพานสวัสดีสาธุ